เอาน่ายอย่าซีเรียสเรื่องเหรียญดูดซับวันหนึง่งป้าจิตชะแล่มไปคุยกับป้ากล่อมบุญ ป้ากล่อมบุญบอกว่าปีนี้เขาจะรวยใหญ่เพราะเช่าเหรียญรุ่นดูดซับไว้เยอะพอได้ยินว่าเหรียญรุ่นดูดซับจะทำให้ร่ำรวยใหญ่ป้าจิตแ่มก็ตาโตหลังจากนั้นป้าจิตแ่มก็ขอเช่าต่อป้ากล่อมบุญมาสององค์องละสามหมื่นสององค์หกหมื่น เช่ามาได้สองสาเดือนยังไม่รวยสักทีป้าจิตแฉมก็ไปต่อว่าป้ากล่อมบุญว่าทำไมฉันถึงไม่รวยตามที่เธอบอกอะ่ะป้ากล่อมบุญได้ทีหลอกต่อเลยก็เธอเนื้อเช่าน้อยไปพลังดูดน่ะมันไม่พอป้าจิตแฉมยังโง่ไม่จบเออถ้าจะจริงแรงดูดไม่พอ เงินเช่าเพิ่มอีกองค์กงกะว่าจะให้ดูดเงินค่อนประเทศมาไว้ที่ป้าคนเดียวรวมเบ็ดเสร็จจ่ายไปสองสนหลังจากจ่ายเงินเสร็จปากกล่อมบุญก็หายสาบสูญไปจากสายตาของป้าจิตแฉมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยโผล่หน้ามาให้เห็นอีกเลยตอนนี้ ป้าจิตแฉล่มขยันขันแข็งขึ้นผิดตาทำงานหามรุ่งหามค่ำตั้งแต่เช้าจรดเย็นทำงานหาเงินมาใช้หนี้ค่าพระรุ่นดูดซัพ์ตอนซื้อบอกว่าขอรุ่นดูดซัพ์แต่สงสัยคนขายจะหยิบพระผิดให้ตอนนี้มันดูดหนี้ดูดสินมาให้ท่วมหัวเลย